อืมการฟังได้ใจเนาะก็หรือเรียกอย่างนะมาใช้ว่าการฟังอย่างมีสติหรือฟังด้วยความรู้สึกตัวก็ได้ราว่าสิ่งที่สำคัญคือเนี่ยมันเราใช้ใจให้เยอะหน่อยใช้ใจใจถ้าเราไม่อยู่กับตรงนั้นอะ่ะมันจะทำให้การฟังมันมันลดประสิทธิภาพไปเยอะเลยอืม ถ้าเราใช้แต่หูฟังนะบางทีก็ฟังแบบหูทนลมใช้สมองฟังก็ฟังไปแบบฟังแบบใช้ความคิดนะใช้ความคิดแต่ถ้าเราใช้ใจฟังอะเราจะสามารถที่จะดูลึกลงไปในสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารเนาะใช้ใจใช้กายแล้วก็สมองนะมัสัมพันธ์กันในการฟังอย่างมีสติ แต่สิ่งที่อยากให้ฝึกคือตรงนี้คือมาวัดในฐานะที่เราสนใจการปฏิบัติธรรมถ้าเราเอามาประยุกต์ตรงนี้ได้นะการฟังด้วยใจนะในแบบที่สี่คือจะเรียกอย่างว่าฟังด้วยความรู้สึกตัวก็ได้ฟังแบบอยู่กับปัจจุบันเหมือนสองคนคุยกันบนเรือเราอยู่ตรงที่ปัจจุบันคือตรงนั้นแต่ถ้าฟังแบบที่หนึ่งนะอยู่บนฝั่งนะ ฟังแต่ไม่ได้ยินใจลอยไปสนใจเรื่องอื่นคือมาเองยังอันนี้พูดตรงๆนะบางทีเราพูดธรรมะมาว่าหลายคนก็ใจลอย <c oughs> ฟังแล้วก็ใจลอยอยู่ในห้องเี้นะแต่ใจลอยไปไหนไม่รู้นี่คือฟังแล้วก็ใจลอยนะมันก็อยู่อยู่ในตรงนี้ได้ยินเหมือนกันแต่ ฟังหูซ้ายถ้าลูหูขวาเนาะฟังแต่ไม่ได้ยินเนี่ยถ้าฟังแบบนี้ก็ก็จับประเด็นไม่ได้ได้ประโยชน์น้อยนะฟังแบบใจลอยเนีย่ยที่สองฟังแล้วจมเข้าไปอินในอารมณ์เหมือนคล้ายๆเหมือนเราดูดูหนังดูดูละครหรือแม้แต่ดูข่าวที่มันซึ้งมากๆหรือเกียรติมากๆเราจะเข้าไปอินใน ในเรื่องราวนั้นๆอินในอารมณ์เศร้าก็เศร้าไปกับเขาสะใจก็สะใจไปกับเขาอินไปกับอารมณ์หรือถ้าเป็นการฟังธรรมะอาจจะอินในที่นี้อาจจะมีอ่าสะดุดนะสะดุดเช่นบางทีมาพูดเรื่องเนี้ยเราไม่เข้าใจเราก็ไปสะดุดคุ้นคิดกับคำเนี้ยอ่าเป็นศัพท์ตรงนี้หรือสภ า, าวะธรรมนี้ไม่เคยได้ยินหรือไม่เข้าใจเราก็ไปสะดุด คือไปสะดุดคือเหมือนเราไปติดกับอดีตพูดง่ายๆนะเราเข้าไปจมในอารมณ์หรือไปติดกับอดีตเรือมันลอยไปข้างหน้าแล้วเราอยู่ข้างหลังนี่คือฝั่งเราจมเนาะอย่างที่สองเป็นอินเข้าไปนะอินเข้าไปอย่างที่สามฟังแล้วไปดักข้างหน้าคือฟังไปคิดไปเหมือนเมื่อเมื่อตะคุณนะคุณจันทาพูดล่า ฟังแล้วเราไปตัดสินฟังแล้วเราบแบบอันนี้ดีไม่ดีถูกผิดนะนะฟังแล้วเราใช้ความคิดของเราด้วยหรือบางทีเราฟังแล้วเราก็สมมติถ้าอันนี้เราคมไปบอกคุณอ้อยไม่ได้นะแต่ถ้าคู่ก็ณีบางทีเราฟังแล้วเรารอาว่าเมื่อไรเธอจะหยุดเดีเราจะสอนเมื่อไรเธอหยุดเดีเราจะบอกคําตอบเนะนะจะบอกว่าควรทําแบบไหนอะไรเงี้ยคือ มันเหมือนฟังไปขนาดที่เรากำลังตั้งคิดว่าเราจะบอกเขาอย่างไรหรือเราแต่สิ่งฮะตอนนั้นเราไม่ได้ฟังละเพราะความคิดมันอยู่ในหัวเราแล้วหูมันจะดับได้ยินแบบผ่า น, านๆเพราะเราอยู่กับความคิดของเราวิเคราะห์ต่างๆอันนี้เราก็ฟังแล้วไปดักข้างหน้าะไปดักข้างหน้าซึ่งมันก็เรียกทำให้การฟังไม่สมบูรณ์เนาะ ฟังแบบที่สี่คือฟังด้วยใจคือฟังแบบอยู่กับปัจจุบันใจเปิดเปิดรับในสิ่งที่เขาฟังอย่างเต็มที่แล้วก็วางการตัดสินไว้ก่อนวางความเชื่อวางความคิดของเราไว้ก่อนแล้วก็ลองฟังดูว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรแบบนี้นี่ฟังอย่างที่สี่นะแต่มาคุยกับพระรูปหนึ่งท่านก็เสนอว่า คือถ้าไม่ได้พูดตรงนี้แหะแต่มาพูดเออมีการฟังอีกแบบหนึ่งอย่างที่ห้าฟังแบบพวกตั้งใจมากเกินไปคื อ, ท, อ, อท่านบอกว่าแต่ก่อนท่านบอกว่าแต่ก่อนถ้าเข้ามาหาพระเขาว่วมาพันเป็นพระผู้ใหญ่เนาะ <c oughs> ก็ไม่ใหญ่เท่าไหรนะ่นะมอนพระที่บวชนานหน่อยหรือว่าเข้าไปหาครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านจะเกรงเกรงแล้วก็ตั้งใจฟังนะ แต่ไม่ดูเรื่องคือตั้งใจมากเกินไปฮะจนตนเกรงจนเครียดแล้วก็ตั้งใจมาว่าแบบนั้นคล้ายๆแบบที่ห้าคือเหมือนแบบที่ห้านี่ยังไม่ได้แก้เลยนะ <c oughs> น่าจะอยู่แบบประมาณกาบเรือแบบประเภทนั่นจอจ่ออยู่ตรงนั้นแหละแต่แต่ไม่ดูเรื่องคือเกรงเกินไปเครียดเกินไปเคยเป็นปะ <c oughs> อฟังแบบเครียดจะเอาให้ได้เนะอืมฟังเทศเนี่ยก็ต้องระวังนะฟังแบบเครียดจะไม่ดูเรื่องนะอ่าสิ่งที่จะฝึกเดี๋ยวก็คือแบบนี้ยประมาณว่าเดี๋ยวเราอาจจะมีกันสมมุติคุยกันแล้วก็แล้วก็สังเกตตัวเราขนาดที่ฟังว่าใจกระโดดไปแบบที่หนึ่งหรือเปล่ากระโดดไปแบบที่สองหรือเปล่ากระโดดไปแบบที่สามหรือเปล่า กลับมาแบบที่สี่ได้หรือเปล่านะหรือมันเป็นแบบที่ห้าอนะคือคือการฝึกสติก็คือวันนะั้นมันไปเรารู้ทันว่ามันไปหรือเปล่าเรากลับมารู้สึกตัวได้ไหมกลับมาฟังด้วยใจได้หรือเปล่านะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะบังคับให้มันอยู่แต่แบบที่สี่นะมันจะกลายเป็นแบบที่ห้ามันจะกลายเป็นเครียดเกินไปนะแต่ให้เรารู้ว่าเออตอนนี้เราอยู่ แบบที่สี่แบบสบายสบายไหมแต่จะขยายแบบที่สามนิดหนึ่งแบบที่สามเนี่ยบางทีพวกคนเก่งๆมกักทําแบบนี้ฮะคือบางทีไม่ใช่ว่าถามไม่ได้นั่นเนี่ยแต่บางทีชอบแทรกเข้าไปถามหรือขัดจังหวะในการพูดของเขาหรือบางทีแย่งซีนแย่งพูดไปเลยหือบางทีก็ ไก่เกียเขาเขาข้างอ e ีไฟเขาพูดยังไม่จบเลยหรอกรีบเข้าข้างอ e ีไฟหนึงแล้วนะหรือบางคนก็ยุยงส่งเสริมแบบเวลาเขาอยากจะทำอะไรยุให้ทาไปเลยนะหรือพวกหนึ่งก็ชอบวิเคราะห์หาสาเหตุหรือชอบไปคิดแต่หาคำอธิบายถึงสิ่งที่เขากำลัตงต้องการบางทีเาไม่ได้อยากจะต้องการคำอธิบายเลยนะแค่อยากเล่าเฉยนะ อันนี้ด่วนปลอบใจนะไม่ใช่ด่วนปล่อยใจบางทีเขาก็ยังพูดอะไรไม่ทันเสร็จดีเราก็รีบไปปลอบใจหรือไปหาทางแก้ไขให้กับเขาหรือบางคนก็ออกเป็นแนวอบรมสั่งสอนเนาะอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ถูกนะตัดสินตำหนิไปด้วยสอนว่าสิ่งที่ถูกคืออะไรนะสิ่งที่ดีคืออะไรหรือบางคนก็เราฟังเรื่องความทุกข์ของคนอื่นนะแล้วใจเราอึดอัดนะ เราเบี่ยงออกไปเลยพูดเรื่องอื่นได้ไหมหรือแบบทำเป็นตลกไปอะเบี่ยงออกไปเพราะใจเราอึดอดัดต่ไม่มีการอธิบายละเอียดนะนะก็แต่ก็ถ้าโดยประมาณก็คือว่าเราฟังแล้วเราไม่อยู่กับการฟังจริงๆเราฟังแล้วเราอยู่กับความคิดของเราในขณะที่ฟังเยอะให้แบบเนี้ยก็อาจจะมีบ้างแล้วก็เรากลับมาให้ได้เนาะ ถ้าฟังได้ใจนะคือฟังแล้ว Open m น n ะ d สามารถจับประเด็นเนื้อหาในสิ่งที่ฟังได้เขามีปัญหาอะไรเขามีความทุกข์อะไรเราก็จับประเด็นตรงนั้นได้ฉันไม่ตัดสินฉันสนใจจากฟังในสิ่งที่เธอพูด คือไม่ใช่เอาไปตัดสินนะว่าที่พูดมามันผิดมันไม่ดีนะถ้าเราไปตัดสินตรงนั้นเราจะคือไปฟังแบบจับผิดเนาะไม่ใช่แต่ฟังแบบไม่ตัดสินนะฟังแบบเขาเขาอยากจะพูดอะไรระบายอะไรแล้วก็ตั้งใจฟังอย่างที่สองเป็นฟังอย่างใส่ใจเนาะก็คือ ไม่ใช่ฟังแต่เนื้อหาเนื้อหรือว่าปัญหาแต่ฟังรับรู้ความรู้สึกของเขาได้ว่าเขารู้สึกอย่างไรขณะที่ที่เขากำลังพูดอยู่รู้สึกแทนเคารพเธอและเปิดใจรับฟังเธอนะบางทีบางทีเราเราฟังนะเอาแต่เนื้อหานะ่ยแต่เราไม่ได้อารมณ์ความรู้สึกของเขาได้มันมันก็จะแห้งๆฮนะ อย่างที่สามนะโอเพนวิวคือฟังด้วยความผ่อนคลายจิตว่างจากอคตินะสามารถรับรู้อย่างเป็นปัจจุบันนะรู้ตัวขนาดที่ฟังคืออันนี้เป็นฟังที่ที่มีสติขึ้นคือไม่ใช่รู้แต่เขารู้ตัวเองได้รู้ตัวเอ ง, เองถ้ามันอึดอัดก็รู้ตัวนะรู้สึกอย่างไรนะอยากพูดก็รู้สึกตัวนะ อยู่กับปัจจุบันได้แต่ถ้าจําเป็นที่จะต้องแสดงออกเช่นบางครั้งเขาถามเราก็พร้อมที่จะแสดงความเห็นหรือเขา ข, ขอข้อเสนอแนะเราก็พร้อมที่จะให้ข้อเสนอแนะในแบบที่เราให้ในฐานะเคารพว่าเขามีสิทธิ์เลือกว่าจะเอาไปใช้ต่อหรือเปล่าก็ได้นะไม่ใช่ให้แบบเธอ เธอไม่ถูกหรอกนะถ้าจะบอก how to หนึ่งสองสามสี่ไปทำแบบนี้เลยนะอะนะให้ไปเลยนะเชื่อฉันเต๋ว ด, ด, ดีเอง <laughs> อะนะแบบให้แบบไม่สนใจเลยว่าเขาจะอยากรับหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะก็อันนี้แต่ก็อาจจะไม่ต้องไปกังวลมากฮนะแต่เราให้ฝึกลองกลับมาดูที่เดือกก็พอว่า ขณะที่เราฟังเราเป็นแบบไหนเนาะอโอเคเนะเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันต่ออันนี้มันมีสี่ระดับเนาะคือจะเล่าตัวอย่างเคสนี้เลยก็ได้ว่าคือมีคนหนึ่งเนาะเป็นผู้หญิงเขานับถือพุทธศาสนามากเ็าเชื่อมั่นในคำสอนพระพุทธเจ้าเนาะก็ ก็สนใจเรื่องธรรมะก็พอจะพูดกับเพื่อนนะก็เหมือนปรมาณว่าเนี่ยชีวิตเรามันเป็นทุกข์เราต้องมาเรียนรู้ธรรมะเพื่อจะได้หาทางออกจากความทุกข์อะไรประมาณนี้เผื่อผู้ชายเนี่ยเขาไม่เชื่อพุทธเจ้าไม่สนใจธรรมะอาจจะแนวแบบตะวันตกหน่อยเชื่อว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขอะไรนะเราจะมามาแบบใช้ชีวิตเป็นจะมาดูทุกข์ทำไมใช้ชีวิตให้มันสุขๆอะไรนะเขาก็จะเชื่อแนวนั้นนะ สองคนเนี้ยสิ่งที่ต่างกันคือความเชื่อการให้คุณค่าแล้วก็ประสบการณ์แบบคนละขั้วเลยนะอีกคนหนึ่งต้องมาเรียนรู้คือมองชีวิตเป็นทุกข์แล้วก็มาเรียนรู้ทุกเพื่อจะได้ออกจากทุกข์อีกอีกมุมหนึ่งเนี่ยมองชีวิตว่าจะไปทุกข์อะไรมากมายอยู่กับความสุขดีกว่าออยู่กับความสุขกันสองคนเนี้ยจะเชื่อต่างกันนะแล้วสิ่งที่ปราคุยกันเนี่ยสิ่งเขาทาคือ ผู้หญิงก็พยายามให้ผู้ชายเชื่อแบบตัวเองผู้ชายก็ทําให้ผู้หญิงเชื่อแบบตัวเองเชื่อกันไปเชื่อกันมาแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องอ่ามาฟังฟังไปแต่มาก็รู้สึกว่าฟังฟังไปแล้งอืมมารู้สึกว่าเขาเองก็น่าจะรู้สึกกับนามาคุยกับผู้หญิงเนาะเขาเองก็น่าจะรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนกันกับโยมมั้งเขาบอกว่าผู้หญิงอะรู้สึกสงสารผู้ชาย ที่เชื่อแบบนั้นแล้วก็อยากจะให้ผู้ชายเขาเห็นว่าชีวิตมันเป็นทุกข์จะได้แบบได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นเนาะคือรู้สึกสงสารที่ผู้ชายเขาคิดว่าเขาเชื่อผิดแล้วก็อยากให้เขาเชื่อถูก <c ười> มีความรู้สึกแบบนี้นะแต่มาเลาก็ลยพูดว่าแต่มาฟังฟังดูคิดว่าผู้ชายเขาก็รู้สึกเหมือนโยมหรือเปล่า <c ười> สงสารว่าโยมเป็นทุกข์ <c ười> อยากให้มองชีวิตให้เป็นสุขอืม แล้วก็อยากจะเปลี่ยนความเชื่อโยมให้มองชี้เป็นสุขมากขึ้นคือรู้สึกแล้วก็ต้องการเหมือนกันนะฮะแต่เชื่อต่างกันแล้วแต่แต่คนไม่เป็นจับที่ว่าเออที่จริงเขารู้สึกตรงเนี้ยเหมือนกันพอถ้าจับความรู้สึกได้มันจะจูนกันได้ฮะจับความต้องการของเขาว่าเขาต้องการเหมือนกันเนี่ยมันจะจูนกันได้แต่พอไปเอาแต่ว่าความเชื่อต่างกันเนี่ยมันมันตีกัน มาว่าด่เคสอย่างเช่นเวลาเราดูแลพ่อแม่หรือญาติป่วยมาว่ามันจะมีมนะบางทีเชื่อแผนปัจจุบันแผนทางเลือกแตกต่างกันแต่ความรู้สึกหรือความต้องการที่ใหญ่จะให้คนป่วยดีขึ้นหรือหายเหมือนกันนะแต่บางทีก็ทะเลาะกันเพราะว่าความเชื่อต่างกันหรือว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงแบบไหนดีกว่ากันบางทีก็จะเถียงกันแต่จริงจุดมุ่งหมายก็เหมือนกันนะอยากให้ลูก ดีมีความสุขหรืออะไรฉชาดเกจนก็หรืออาจจะคือความอยากให้ลูกเป็นอย่างที่มันก็ส่วนหญก็ดีๆเนาะแต่ความเชื่ออา จ, จแต ก, แ ต, กแ ต, ต่างกันได้หมายว่าบางทีคนเราก็ทะเลาะกันที่ความเชื่อเยอจจะแต่ถ้าเรารู้จักวางความเชื่อของเราไบ้ก่อนเนาะแล้วก็ฟังความรู้สึกความต้องการของเขาให้ให้ให้เข้าใจกันมาว่ามันคุยกันได้ง่ายขึ้น แต่พอเรามองว่าคนนี้เขาเชื่อต่างเราบางทีเราจะไม่อยากคุยแต่จริงถ้าเรามองว่าเขาเชื่อต่างจากเราก็จริงนะแต่ความรู้สึกที่เขามีแต่เรื่องนี้เหมือนกันกันกบเราเลยใ้่ไหม น, นะ ม, มันจะทำให้เราเกิดการคอนเนค ก, กันได้ง่ายขึ้นแมาว่าคนคนหนึ่งถ้าเขารู้ว่ารู้ว่าเราเข้าใจเขาอะ เขาก็จะอ่อนนงแล้วก็เขาก็จะเหมือนเขาก็จะเกิดการฟังเราได้มากขึ้นนะแต่บากทีคนพูดมากๆมาถึงว่าพูดย้ําไปให้โน้มน้าวเชื่อเพราะว่าเราเองไม่เคยบอกว่าเราเข้าใจเขาดับรู้ว่าเขารู้สึกอย่างนี้จริงๆนะเขาเดลยต้องพยายามบอกเราหนักขึ้นอันนี้ก็แต่มาอาจจะไม่มีเวลาไม่มากก็เลย นี้ให้ดูว่าคือในคําพูดเนอะในคําพูดของเรามันมีมมีอันนี้นะที่จริงคําพูดถ้าเราฟังแต่คําพูดอนะ่ะมันจะดับรู้ข้อมูลไม่ได้มากหรอกอันนี้เขาบอกว่าเแต่ถ้าน้ําเสียงเนี่ยอาจจะทําให้เราเข้าใจความรู้สึกหรือความต้องการได้มากขึ้นด้วยแล้วถ้าเรามีการสบตาแล้วก็สังเกต กิริยาทางกายไปด้วยเนี่ยยิ่งจะทําให้เราเห็นเขาได้มากขึ้นอืมนั่นคือดังนั้นเราการฝึกก็คือไม่ใช่ฟังว่าเขาพูดอะไรเท่านั้นเนาะลองสังเกตว่าท่าทางเขาเป็นแบบไหนสายตาเขาเป็นแบบไหนไปด้วยอะมันจะทําให้เราเข้าใจเขามากขึ้นนะเมื่อตอนคอร์สคนจีนก็มีคนนึง เขาก็ปฏิบัติแบบตั้งใจมากนะเอาจริงเอาจังมากแล้วเขาก็เขาก็พูดหลายครั้งแหละว่าแบบคือเขาคิดว่าปฏิบัติอ่ะมันก็ต้องมันต้องทําแบบเนี้ยมันถึงว่าต้องพยายามเช่นพยายามที่ต้องรู้สึกตัวอะไรนะพยายามที่จะไม่ให้มันคิดเพราะเขารู้สึกว่าถ้าปล่อยให้มันคิดแต่นี่ไม่ได้ปฏิบัติไม่เรียกว่าปฏิบัตินะเขาก็พูดประมาณทํานองนะั้นแะ แล้วพอมีพระใหม่รุ่นหนึ่งก็สะท้อนว่าเขาก็พูดเรื่องของพระใหม่ท่านก็พูดเรื่องของท่านอะ่ะแต่มันคล้ายๆ ก, กันกับคนเจียนะครับอพอพระใหม่พูดเสร็จคนเนี้ยเขาสึกดีใจว่าเหมือนมีเพื่อนเออคิดเหมือนกันเลยรู้สึกเหมือนกันเลยมันก็เขาสึกเออมันมันคล้ายๆมันก็รู้สึกมีสุขใจเลยนะ หรือไม่แต่เมื่อเช้านี้ก็มีโยมใดมาหาอาจารมาก็เล่าเรื่องปฏิบัติก็หลายหลายอย่างนะมาแค่แค่สะท้อนสั้นๆไปว่าเออใช่บางทีปฏิบัติมันก็มีท้อบ้างอะไร น, นะะไ น, นะก็พูดแค่สั้นๆประมาณนะั้นแล้วก็มีต่อไปทั้งไหนจำไม่ได้แต่พอข้อความที่ตอบเประมานั้นก็มาบอกเหมือนเหมือนรู้สึกดีขึ้นที่เหมือนพระอาจารย์บอกว่าบางทีปฏิบัติก็มีท้อบ้างเหมือน เราเข้าใจว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่บอกว่าทอมันไม่ดีพอเขาบอกว่าพอมาต่อไปมันนะเขาบอกรู้สึกเหมือนมันใจมันฟื้นขึ้นมาสักหน่อยที่มาบอกว่ามันมีท้อบ้างมันเป็นเรื่องเอธรรมดาอืมือเราบอกเออมันเข้าใจเออปฏิบัติมันก็มีท้อบ้างอะไรนั่นก็แค่เราสะท้อนคือเขาก็พูดมาแหละว่าเขาท้อหรือนั่นนี่อะไรอย่างแต่พอเราสะท้อนกลับไปว่าเราเข้าใจในติ่มความรู้สึกของเขาในตอนนั้น มันก็ทำให้แบบความความเบาใจนะมันเบาขึ้นมาได้เลยมีมีใครที่เหมือนฟังไปแล้วก็จมเข้าไปในปัญหาเขาไหมปัญหาที่เขากำลังปฏิบัติทำอยู่มีไหม ไม่ค่อยมีนะแต่ถ้าฟังเรื่องปัญหาชีวิตเนี่ยอาจจะจมหลายคนามาอันนี้เป็นคําถามแรกที่ถามแบบนี้นะปกติถามเรื่องอื่นอันนี้เป็นถามเรื่องปฏิบัติธรรมเพราะอืมก็แต่แต่เห็นถ้าถามปัญหาเรื่องถ้าให้พูดถึงเรื่องปัญหาชีวิตนั่นนี่หลายคนก็จะเห็นใจที่มันจมเข้าไปแบบเหมือนถึงว่า บางทีไปเศร้ากับเขาหรือไปคือบางทีก็คือเข้าไปอินในเรื่องราวของเขาเนะมันมันก็มึงหรือบางทีมันเรื่องราวชีวิตคล้ายๆกันก็ก็อาจจะเข้าใจกันด้วยหรือบางทีก็เข้าไปเป็นกับเขาด้วยนะมันจะอินเข้ามาหลายคนก็ที่ไม่อยากฟังเรื่องปัญหาความทุกข์ของคนอื่นเพราะเนี่ยคือไม่คือเราไม่อยากอินเข้าไปไม่อยากเศร้านะ แต่จริงถ้าเราลองรู้สึกไม่ใช่ว่าเราจะเข้าไปอินบ้างไม่ได้อินคือการรับรู้อดมความรู้สึกของเขาอะแต่ไม่ถึงกับถลาเข้าไปต้องจมกับความทุกข์ของเขาอะคือฝึกอย่างไงให้มันเป็นความเข้าอกเข้าใจอะเข้าอกเข้าใจเห็นใจแต่ไม่ใช่จมเข้าไปเป็นความสงสารใช่ไ้ยคือเข้าใจ เข้าใจเข้าอกเข้าใจถึงปัญหาหรือความทุกข์ความลำบากของเขาอันนั้นทำได้ซึ่งมันดีด้วยแต่ไม่ถึงขนาดอินเข้าไปเป็นโศงสอนเลยนะหรือบางทีอยากจะช่วยเหลือมากแต่มันช่วยไม่ได้นะมันจะกลายเป็นความเศร้าเป็นความทุกข์เข้าไปแต่เราจะฝึกว่าฝากแบบไหนเราเข้าใจเขานะเข้าใจในความรู้สึกของเขาเห็นใจเขาแล้วก็ เก็จะมีความรู้สึกพอม่าถ้าเราจะพูดเราจะําเลยก็เพื่อให้ให้เขาได้มีกำลังใจขึ้นหรืออะไรนะก็มันก็สามารถทำได้เนี่ยมันจะเป็นการฝึกแบบนี้นะมีตรงอื่นอีกไหมโยมก็แลกเปลี่ยนได้นะ ม, ม, มีไห ม, มถ้าไม่มีเดี๋ยวให้ดูสุดท้ายอันหนึ่งนะอ่า คือบางทีการฟังทักษะการฟังที่ที่ดีก็ช่วยในการเยียวยาคนอื่นได้เยอะมากนะแต่นี้มันแค่ฝึกลองให้เห็นตัวเองก่อนว่าฟังแล้วใจเราเป็นแบบไหนเนาะนะแต่มาว่าเวลาเราเจอปัญหาจริงๆน่ะมันจะมันจะยากขึ้นหรือว่าเราฟังพราะบางคนฟังเรื่องคนไกลตัวหรือฟังเรื่องงานเนี่ยจับประเด็นได้ไม่ค่อยมา แต่พอฟังคนใกล้ตัวจะยากขึ้นเพราะอัคติก็ดีหรือเพราะอะไรก็ดีซึ่งมันจะทำให้ไม่ใช่ว่าคือที่ยิงทักษะกันฟังทุกคนมีได้แต่แต่พอในสภาวะที่ใจเราไม่ปกติใจเราอาจจะไม่ชอบไม่อะไรไม่พร้อมมันทาให้ทักษะเนี้ยมันมันมันทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าเราฝึกเราก็รู้สึก วางความเชื่อของเราไว้บ้างนะหรือบางทีเราอาจจะมีความลำคาญเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกตัวแต่เราเห็นว่าเขากําลังมีความทุกข์มากถ้าเราพอช่วยเยียวยาเขาได้ใยการฝากเนี่ยมันก็มันเหมือนแม้เราเหนื่อยนะแต่เราก็ช่วยเขานะมันก็เหมือนน่าจะทําให้เขารู้สึกดีขึ้นได้นะมันก็เป็นการช่วยเยียวยาเขาได้ดนะ้วยอ มาเข้าใจที่โยมพูดนะเข้าใจที่โยมพูดด้วยความหวังดีดหรือไม่อยากให้เขาทำเข้าใจแต่แต่ถ้าในหลักการวิจัยหรือเก็บข้อมูลนะพานพูดแบบนั้นไม่ค่อยได้ช่วยคือพูดว่าเป็นบาปตกนรกมันมันเหมือนทำให้เขาเข้าใจว่าเข้าใจไหมว่าเรากำลังทุกข์กำลังมีปัญหามาก อะไนะีหรือบางทีข้อมูลนะี่ยเาก็อาจจะเคยได้ยินแต่ชั้นหาวิธีการจนไม่มีวิธีการหรือตอนนี้กําลังทุกข์มากมันก็เลยคือมันก็เลยเหมือนที่จริงถ้าเราลองฟังมากขึ้นก็ได้อาจจะคือถ้าเราหลักการจริงๆคือเชื่อว่าคนเราอะ่ะมันมีสภาวะที่ปกติอยู่แล้วเนาะคนทุกคนมีใจที่ปกติอยู่แล้วตอนที่เขามีความทุกข์คือใจมันไม่ปกติ กาที่เราฟังมันเหมือนให้เขาได้ระบายความทุกข์ออกไปมากขึ้นมากขึ้นจ น, นทั้งใจมันใกล้เคียงเป็นปกติเมื่อใจใกล้เคียงปกติคนทุกคนสามารถที่จะมีความสามารถในการแก้ปัญหาของเขาได้เองกันช่วยคือการช่วย น, นะแต่ถ้าสมมติใจเขายังหนักอยู่แต่เราพยายามจะสอนจะบอกอะไรนะั้นมันเหมือนของเขายังหนักอยู่อะมันจะรับของใหม่เข้ามาได้ยาก แต่การช่วย น, น่คือช่วยให้เขาปลดปล่อยความทุกข์ความหนักใจของเขาเออกไปเมื่อใจเขาใกล้เคียงเป็นปกติค เ, เนี้ปัญญาความสามารถของเขาก็จะสามารถมองเห็นปัญหาด้วยตัวของเขาเองได้อันนี้คือรักจริงๆคือประมาณแบบนี้แต่ก็ไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้ผิดดออักที่เราวางดีแบบนั้นแต่ก็ แต่ถ้าจะทำให้มันดีขึ้นะมาว่าอาจจะลองดูแบบนี้หรือบางทีหรือบางคำตอบหรือบางคาถามเราอาจจะถามในเชิงเขาเห็นว่าปัญหาเนี้ยเขาเขาคิดจะแก้อย่างไรแบบนีน้หรือเขาเห็นว่ามีอะไรที่เราหรือใครจะช่วยเขาได้บ้างลองถามแบบเปิด เปิดให้เขาได้คิดบางทีเ้าอาจจะดืมคิดแล้วก็พอเขาเปิดทางออกมากขึ้นเขาก็อาจจะอาจจะดีกว่าเราพยายามบอกว่าทางออกมันคืออะไรเพราะบางทีเขาอยู่ในตรงนั้นบางทีเขาอาจจะประเมินได้เองว่าควรจะไปทางไหนไหคือขณะที่เราพูดไปถ้าเราสังเกตเขาด้วยเนาะอันนี้มันมันเข้าใจหรือเปล่า <mm mm> ปิดอยอะหรือเปล่ามันก็จะหรือบางที่เขาไม่พร้อมที่จะฟังเราก็จะดูใช่ไหมแต่ถ้าเราหน้าที่เหมือนป้อนคำสั่งอย่างเดียวเนี่ยเราจะไม่สนใจละแล้วเราก็จะมาสนใจอีกทีตอนทำไมมันไม่ได้อย่างที่เราสั่งอ่าไงก็ดีนะที่ยมเห็นว่าเราบกพ้องตรงไหนมาว่าการเห็นข้อบกพ้องของตัวเองมันเป็น เป็นเป็นก้าวที่สำคัญที่จะทำให้เราเปลี่ยนตัวเองในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าคนไม่เห็นข้อบอกพร่องของตัวเองแล้วก็ไม่ยอมรับข้อบกพร่องตัวเองมันจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่พัฒนาอนนก็ฝากฝากไว้ก็อันนี้ก็อาจจะเป็นเผื่อเราเจอใครที่เขามีความทุกข์เนาะนีปัญหา ไม่ไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องไปใช้ทุกเรื่องนะมาถึงคุยบางทีคุยเรื่องธรรมดาก็อาจจะไม่ต้องลงลึกขนาดนี้นะแต่ถ้าเมื่อไรที่เราเจอใครที่เขามีปัญหามีความทุกข์มีเรื่องไม่สบายใจจากคำพูดก็ดีจากทีน่าท่าทางก็ดีมาว่าวิธีการเนี้ยก็จะช่วยช่วยเขาได้รวมทั้งถ้าเราเอาการรู้สึกตัวไปใช้ด้วยมันก็จะช่วยให้ขณะที่เราช่วยเขาอะ เราก็จะไม่จมน้าไปกับเขาด้วยคือเราก็รับฟังเขาอย่างเข้าใจอย่างเห็นใจแต่เราก็เหมือนอยู่กับเขาได้อยู่กับเขาได้เขา้เขาใจความรู้สึกเขาแต่ไม่ด้ทุกกับเขาแบบนี้เนาะเราก็ฝึกตรงนี้นะแต่ถ้าเราไม่ฝึกนะี้เราจะจมไปกับเขาอืมแต่อีกอย่างหนึ่งบางทีบางครั้งเรากลัวหรือเราไม่ชอบที่ เวลามันเป็นทุกข์เราไม่อยากอยู่สภาวนะเรามันก็จะเลี่ยงที่จะหนีบางทีมีปัญหากันไม่กล้าคุยกันเพราะว่าเราไม่อยากให้มันอยู่ในสภาที่มันขัดแย้งกันเลยนะหรือมันเป็นเรื่องทุกข์แล้วมันเซนซิทีฟเราไม่อยากอ ย, กอยู่สภาวนะเราก็จะหนีไปเรื่อยซึ่งบางทีมาว่าบางอย่างยิ่งหนียิ่งยิ่งยุ่งหรือยิ่ ง, ย, งยิ่งหนักไปกว่าเก่าอ่ะบางทีการเปิดใจคุยกันก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ได้ดีขึ้น เหมทางที่จริงถ้าเรื่องอื่นเรื่องการฟังอย่างรู้สึกตัวก็ใช้อย่างอื่นโดยก็ได้มาว่าไม่แต่ฟังข่าวทีใจเราก็วิจารณ์ตัดสินถูกผิดนั่นนีนะ่บางทีข้อมูลเราฟังแค่ข่าวจริงหรือเปล่าก็ยังไม่ดูนะแต่พอเราก็เชื่อตามข่าวแล้วก็ตัดสินนันนี้ดีนี้ไม่ดีนะมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบตลกมากมาขอพูดเรื่องหนึ่งมีได้ดูคลิปเรื่องหนึ่งเขาทําหนังสั้นชื่อไอ ไอส้สครีหรือไอติมเนะี่ยจะไม่ได้ชื่อเลยนะเป็นหนังสั้นที่นักศึกษาเขาทำนะเป็นเรื่องคนแก่ขายไอติมกเก่าแบบไอติมโบราณเนนะแล้วขายไม่ค่อยได้หลักแล้วครั้นี้ในมันเป็นหนังสั้นนะเปีการแสดงมีมีเด็กสองคนมาซื้อไอติมแล้วก็ทำเป็นมีเงินไม่พอแล้วก็ซื้อไอติมแบบซื้อสองแท่งแต่มีเงินในราคาแท่งหนึ่งนะคุณตาก็ให้ไปไม่เป็นไร แต่พอฉากกลับมาอย่างหนึง่งเด็กมันก็มีเงินนะมันคล้ายๆดีใจที่โกงคุณตาได้ประมาณนะ่ะก็มาออกกันอีกฉากหนึ่งก็คุณตาก็ขี่ไอติมไปขี่รถขี่รถปั่นขายไอติมไปแล้วก็ไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็มีใบตุ้นคนหนึ่งนะตัวอ้วนๆทั้งหน่อยก็ามาซื้อไอติมก็ามาหยิบแล้วก็รีบกินเลยแล้วก็จ่ายเงินแบงค์พันไปคุณตาก็มาดูเงินทีตัวเอง มีไม่พอก็ทำอะไรไมนะ่ได้ก็คืนแบงค์พันไปให้เด็กหนุ่มคนนั้นก็เดินเข้าไปบ้านหน้าตาเฉยสุดท้ายตาก็ขายไอติมไม่ค่อยได้ก็เอาเอารถไอติมมาคืนเจ้าของแล้วก็เหมือนคล้ายๆเหมือนก็ ค, ย ค, ยคงยอมคล้ายๆเลิกขายไอติมไปเลยมั้งประมาณบนี้นนะแต่พอมาอ่านคอมเมนต์ฮะคอมเมนต์มมนข้างล่างปรากฏว่าส่วนใหญ่ด่า ไอคนด่าผู้ชายวัยรุ่นที่มาซื้อไอติมแล้วเอาแ บ, แบงค์พันจ่ายด่าเด็กสองคนที่โกงคนแก่ได้ไงคืออะไรอินจนดืมว่ามันคืออะไรคลิปสั้นที่แสดงกันฮะแต่ด่าแบบเหมือนเป็นตัวตนจริงๆฮะมันคือมาตตกมากว่าเออมันดูเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นการแสดงซึ่งเขาบอกนะครับว่าเป็น คลิปสั้นที่เป็นการแต่พอเข้าไปอินในเรื่องราวมันเป็นเอาไปจริงอย่างสมมุติเลยว่าคือสมมตินะเป็นจริงจังเลยด่าไอ้อ้วนดาไอ้นั่นแบบเตะๆห้ๆหายเยอะมากซึ่งเออคนเราเนี่ยพอพอฟังไม่ดีแต่ดูไม่ดีเนี่ยมันพอลงเข้าไปอินมันปรุงแต่งเยอะมากมาว่าไม่แต่ข่าวสมัยนี้นะที่เรารับมาบางทีถ้าเราช่างใจสักหน่อยนะ มันอาจจะเป็นเรื่องจริงนะคลิปจริงหรือข้อมูลจริงบางส่วนแต่มันอาจจะไม่รู้ทั้งหมดอะ่ะแต่บางทีเราเรีบด่วนไปตัดสินอะไรนะไปวิาพากษ์วิจารณ์ซึ่งบางทีจะถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะอะไรน่ะเราก็ต้องดูตัวเองนะเออเราไปวิจารณ์เราไปตัดสินแต่ถ้าเราช่างใจว่าไอ้ที่เราวิจารณ์อยู่คิดอย่างนะี้ยมันถูกหรือเปล่าเราวางไว้ก่อนเนะเราก็จะเห็นตัวเองนะว่า เราก็าไปอินกับเขาไหมเราไปตัดสินหมเลยนะเนะี่ยมาว่าจะช่วยให้เรากลับมาเป็นกลางได้มากขึ้นแล้วก็ไม่ดองเป็นธาตุในการรับข่าวสารข้อมูลต่างๆหรอกซึ่งมาวัดเรื่องอื่นๆในชีวิตของเราก็เอาไปใช้ได้แล้วก็แม้แต่เรื่องเรากอนที่เราใช้ชีวิตปกติก็ถ้าเราเอาธรรมะในการฟังอย่างมีสติเอาไปใช้อะ่ะมันก็จะมาว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในตัวหนึ่งนะ ก็ฝากไว้แล้วกัน